ด่าครูบาอาจารย์แบบไร้ความเคารพในครูบาอาจารย์เพราะลูกศิษย์ไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมในใจจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์ก็มีแงแต่รู้รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงมีแต่มองตาแผลแปลแลแเอย คงจะนึกปรงตกเหมือนกันเออกรรมของกูน้อกรรมของกูน้อก็คงจะว่ายอย่างนั้นเท่านั้นะเออจะทำยังไงออต่อหน้าเขาก็ดีแต่ออพอรับหลังอีกบางอย่างหนึ่งออตรงพ่อเคยได้ยินะผลนในสุก็เลยพอมารู้มาทราบทีหลังก็เลยเอาออกเอาองค์นั้นออกไปเอาองค์อื่นเข้ามาแทนก็รู้สึกว่าท่านมีสุขภาพดีขึ้น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 มันอาจจะมีส่วนเหมือนกันบางครั้งนะบางคนนะแต่บางคนงก่กรกมในปัจจุบันปัจจุบันนกกรกรก็คือไม่ได้รักษาสุขภาพของตนเองปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็จนทำให้เจนเลือดแตกอันนี้ว่าปัจจุบันนั ก, ก ร, รมอดีตกรรก็คือคงได้ไปทำให้กับสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายในอดีตชาติ กรรมนั้นตามสนองมาถึงพบนี้ชาตินี้ก็นได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทาไว้ในอดีตชาติเพราะนั้นกรรมมันมีอยู่สองอย่างอันีตชาติแก้ไขไม่ได้แก้ไขยากมีแต่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอุทิศกุศลให้และกัปัจจุบันนกกรรมก็ต้องระวังการอยู่การกินการพักผ่อนนอ น, อนเป็นเว ล, เวลาอันนี้คือปัจจุบันนกรรม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 แยมพระโอสอกรรมเนี่ยเป็นได้หลายอย่างหนานะพระานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แย้มพระโอสถด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข่า น, ะนี่เห็นไหมนะอานอนท์นางหมูนั่นนะหมูจะได้มาจากพรหมโลกนะมาเกิดเนยะอืมอ่ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข่าเนะพราะกรรมกรรมกรรมดีขึ้นไปเกิดในพรหมโลก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 พวกที่ไปขายควายอพอไปโอ้โหมัน ห, หิวอาหารจริงๆมันเหนื่อยจริงๆก็เลยเข้าไปนอนไปนอนในโพรงไปนอนในที่บ้านอีกหลังหนึ่งเดินทางมาไปนอนในในบ้านอีกหลังหนึ่งไปนอนพอนอนตื่นขึ้นมาเลยที่ไหนได้ที่ตัวเองไปนอนคือเข้าไปเข้าท้องควายอไปเกิดในท้องควายเพืน อพอออกพอออกมาชาวบ้านเขาโอ้เราได้ควายแล้วเนี่ยมันลูกมันออกเเป็นควายตัวผู้ว่างั้นตายเขามามองรุ ม, มดูตัวเองถึงโอ้ตายข้าเนี่เป็นควายอลไรที่นี่ว่างั้นตัวตัวเองเป็นไปขายควายไปขายควายทางอายุทยากลับมาตัวเองมาตายแล้วมาเกิดเป็นควายตายข้าเป็นควายแต่ข่าวนี่เอาถ้าข้าจะไม่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 เพอไม่ตายมันก็มันกัด ม, มันหิวเนี่ยมันก็กินนมเข้าไปเลยเออก็ดีเนี่ยวะ่ะต่อมาก็กินน้ํกนากินหญ้ากินอะไรเข้าไปทถอะนี่ยพ่อเป็นควายหนุ่มพ่อเป็นควายหนุ่มขึ้นมาออืสมัยก่อนเรามีแต่จับควายมาไถนาะสนตะไครเสร็จแล้วก็มาเอามันมาไถนาะตีมัน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 เราก็ไปหาเกิดเลือกเกิดได้เราจะไปสู่สวรรค์พักผอสก่อนหรือจะไปเกิดในภพภูมิไหนถ้ามาเกิดเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเลือกเกิดตระกูลที่มีเป็นสัมมาทิธฐิตระกูลที่มีเงินขำทรัพย์สมบัติเราไปเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญถ้าต่ำลงมาอีกก็ไปเกิด เลือกเกิดในสถานที่ตรงไหนแต่ถ้าโนไม่มีไม่มีบุญกัอย่างที่ว่านะอย่างพ่อค้าควายนะาไปเกิดแบบไม่ได้ตั้งใจที่ไหนได้ไปอยู่ในท้องควายเกิดขึ้นมานตัวเองเป็นควายไนะนี่แหละอันนี้ก็คือชลาพุชะเกิดในคันพวกเกิดในคันกับพวกหมูหมาวัวควายไนะอ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 มันยังไม่หลุดจากต้นไม้เนี่ยมันก็มีขามีก้นมีตัวของมันะแล้วก็มีขามันก็ดิ้นได้เนี่ยแะมันแปลกเหมือนกันนะลูกหลานกนัตถาญาติโยมเนี่ยบอกโอปปาติกะใคราว่าวิญญาณไปเกาะปฏิสนธิในจุดนั้นนะพอเสร็จแล้วนะเกิดขึ้นมาเนี่ยบอกโอปปาติกะเกิดผดขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปเกิดในเท่าในใครในครัน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 ที่ท่านได้เลียงเลียงเอาไว้พระญาธรรมโศกราชเนี่ยปกครองสร้างถาวรวัตถุในประเทศอินเดียแปดหมื่นสี่พชิ้นเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลมากลูกชายก็จะเป็นพระหรันพระมหินลูกสาวก็จะเป็นพระหรันนางสังฆมิตราที่เป็นผู้นําพระพุทธศาสนาที่มาที่ประเทศชีลังกาเนี่ยพระเขียวแก้ว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 เ อ, อไปเกิดในน้องน้ําใหญ่ได้กลางตรงนะหากินกบกินเขียดไปเลยถนะ้ามันหิวได้อย่างที่ว่าเนหะมือนกับควายนันนะในที่แรกแต่จะไม่กินนมไม่กินนมแม่เราข่าเกิดเป็นควายเนี่ยใมันตายไปเลยมันหิวทีนี้เพราะมันหิวก็ได้มันก็ต้องกินนมแม่พอกินนมแม่มันก็ไม่ตายเลยทนะ่านอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านไปเกิดเป็นงูเป็นงูเสร็จแล้วก็ท่านก็แคว่งคว้างนะกินกบกินเขียดกินอะไรต่อมีอะไรพอเลี้ยงชีวิตตัวเอง ตอนพระมหินท่านเป็นพระรหันแท้เอ้พ่อของเราเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเนาะเนี่ยท่านท่านก็มองดูพราะเพท่านไดยานรัตนะเนี่ยจุดูปปรารตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปที่ไหนท่านเป็นพระรหัน์น่ยพระมหินเนี่ยท่านก็เลยมองดูเอ้พ่อของเราไปไหนนาะตายแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนวะเนี่ยเพราะท่านก็เลงไปสวรรค์ะก่อนเพราะว่า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 จำอาตมาได้ไ้ยนี่ลูกชายนัย่นเนี่ยพมาหินน่ลักษณะอย่างนั้นแหละเออพ่อของมองดูเนี่ยพ่อเนยตายเพราะความโกรธโกรธโมโหให้เขาเนี่ยพ่อจึงตกต่ำไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะ ย, ยมพ่อนาะเออต่อนนี้ไปให้พ่อรักษาศีลห้านะจะไปกินสัตว์ที่มีชีวิตถ้ามันตายแล้วจึงก่อยกินถ้ามันไม่ตายอย่ากินเออรักษาศีลห้านะพ่อนะ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 เรามาพูดามาพูดให้การฟังอา่าพูดให้การฟังจนเคยชินจนไม่ไม่ถึงกับกลัวตายเถ้าเราไม่เคยพูดให้การฟังเนี่ยโอ้พอพูดกินตายเนี่ยเรื่องตายแล้วมาสะดุ้งทันทีเลยพราะกลัวตายเอาพอพูดทุกวีทุกวันก็มาวะไม่รู้จะกลัวไปทำไมเ้กลัวให้ง่ทาไมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตา ย, ม, ตายามันเท่ากันนะเยเพราะนั้นจะไปกลัวมันทำไมมีช่องทางไหม